ต่อนนี้ไปตั้งใจฟังธรรมวันนี้หลวงพ่อได้ถือโอกาสมาพบพาลูกพระหลานสมณเณร ญ, ญ, ญาติโยมมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นทางจิตใจเห็นว่าพวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงจะมีเวลาน้อยโอกาสน้อย เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายอย่างมากสำหรับชีวิตหนึ่งของพวกเราในครั้งนี้เพราะว่าการบวชเป็นการถวายพระราชกุศลกับในหลวงกับพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นที่รักเคารพของพวกเราท่านทั้งหลายลตอนนี้ไปหลวงพ่อเองจะได้แสดงธรรมและกล่าวทำโมนิยกถาสาหรับพวกเราท่านทั้งหลาย นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกว ะ, ตะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตสัมมาปานิธิเอตัมมังขรมุตตะมันติติ วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจมีหลายวิธีตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้ไประชุมหาหรือกันที่จะจัดการบวชการที่จะจัดงานอย่างนี้ได้ ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงส ม, มัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พ่อครูที่เป็นจอวาดวัดใหม่บ้านห้วยสายของเราเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ที่ท่านเป็นประธานท่านเป็นผู้ริเริ่มรับโครงการอันนี้หลวงพ่อว่าไม่ใช่ของเล็กน้อยที่จะรับงานอย่างนี้ได้และก็พร้อมกันท่าน อ, อาจารย์พ่อครูกับท่านก็ได้รับงาน หลายหลายอย่างหลายหลายครั้งมาแล้วตลอดถึงเป็นศูนย์การศึกษาของอําเภอนายุงอันนี้ก็น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะที่หลวงพ่อได้เห็นท่านอาจารย์พระครูเองก็ได้ไปหาหลวงพ่ออยู่ส่วนน้ําใจนั้นหลวงพ่อก็ให้ความเมตตาและให้ความนับถือว่าท่านมีน้ําใจต่อญาติโยมพี่น้องประชาชนพระเนน สรุปแล้วก็คือว่าเป็นผู้หาดายากที่เป็นพระสงฆ์ที่เสียสละอย่างอาจารย์พ่อครูที่พวกเรารักครบนับถือที่เป็นผู้เริ่มจัดงานในครั้งนี้เพราะนั้นหลวงพ่อว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นงานที่เป็นเกียรติของอำเภอนายูงก็ว่าได้เพราะว่าผู้ที่จะรับงานอย่างนี้ได้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไม่ใช่ว่ารับแบบมัวเมียแล้วก็รับ ก็ต้องประชุมหาลือกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจพอสมควรจึงได้จัดงานอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วก็พร้อมกันก็ได้บวชพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงที่ท่านครองราช60ปีจากนั้นก็เป็นวันสำคัญยิ่งที่ในหลวงของพวกเราอายุครบ8 0ดพรรษาเพราะนั้นถือว่าเป็นงานสองงาน อยพวกเราเป็นพระศกนิกรของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีครบทุกอย่างแต่พวกเราไม่รู้จะบูชาพระคุณพระองค์ท่านอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้พร้อมใจกันเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลต่อองค์ท่านคําว่าบุญกุศลในที่นี้ ถึงใครจะทํามาค้าขายร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถึงจะยศถาบรรดาศักดิกส์สูงส่งขนาดไหนผลที่สุดก็ต้องการบุญบุญกุศลถึงจะหาเงินมาได้แล้วก็จะมาทําบุญได้ข้าวน้ําโภชนาอาหารก็มาทําบุญแปลว่าบุญหนึ่งเป็นยอดเป็นยอดความต้องการของมวลมนุษยชาติถ้าว่ามีบุญแล้ว มีครบหมดทุกอย่างคนมีบุญไปที่ไหนก็สะดวกสบายบุญส่งขึ้นไปยศฐานบรรดาศักด์ก็สูงเงินคำทรัพสมบัติก็หาได้ง่ายคนมีบุญไปที่ไหนก็สะดวกสบายไปทั้งหมดคนมีบุญตรงกันข้ามถ้าว่าคนไม่มีบุญไปที่ไหนมีแต่เรื่องขัดข้องทั้งหมดเพราะนั้นบุญที่พวกเราจะถวายต่อพระ อ, องค์ท่าน ทุกทุกท่านต้องการบุญกุศลจนถึงที่สุดคือพรนิพพานพอถึงพรนิพพานและจบบุญนี่เป็นเหมือนกับเรือหรือแพที่จะข้ามฟากฝั่งในเมื่อเราข้ามฟากฝั่งไปถึงฝั่งแล้วเรือแพก็ไม่เอาขึ้นฝั่งไปเลยบุญกับบาปไม่เอาไม่แบกขึ้นไปด้วยอันนั้นคือผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลส แต่ณะทาว่านอกจากนั้นลงมาแล้วจะต้องการบุญต้องการกุศลกับทุกทุกท่านไม่รู้ว่าชาติชัน้นวรณะไหนก็ต้องการบุญกุศลเพื่อกูลหนนเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านได้บวชในครั้งนี้ก็ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์บวชเข้ามาแล้วก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้ดี พวกเรานับว่าโชคดีที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในพบพระพุทธศาสนาได้พบประเทศไทยที่พระมหากษัตริย์อย่างในหลวงของพวกเราที่เป็นผู้ปกครองและกรัฐบาลถึงจะเป็นยังไงก็ยังเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมพอสมควรดินฟ้าอากาศประเทศชาติปันเมืองก็ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับภูมิภาคเอเชียหรือว่า หลายประเทศประเทศของเราก็นับว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยก็เป็นผู้มีบุญหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พวกเราได้เกิดมาพื้นแผ่นดินไทยดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคคู่คนพระพุทธศาสนาเจ้าฟ้าหมหากษัตริย์คนในชาติก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งกันและกัน เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพอสมควรเพราะนั้นพวกเราถือว่านับว่าเป็นผู้มีบุญท่าว่าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่พวกเราเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆบางประเทศไม่มีอาหารจะกินขาแข้งขารีบๆท้องโตๆหัวโตๆพวกเราก็คงจะเคยเห็นอันนั้นแปลว่าไปเกิดในสถานที่ไม่เหมาะสมแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่งแล้วก็ประเทศที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคุ้มครองนับว่าเป็นผู้มีบุญในอดีตปุเพกะตะปุญจตาแสดงว่าพวกเราเคยทําบุญไว้ในอดีตชาติจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบว่าอัตตะสมมาปณิธิ ที่หลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีอย่าไปเหลืองเจิง่งอย่าไปหลงลืมตัวเองในเมื่อมาเกิดพบพระพุทธศาสนามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ควรจะตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาทำในครั้งนี้แหละอันนี้แหละเป็นการประกอบคุณงามความดี เข้าสู่จิตใจของพวกเราการที่เป็นอยู่ของพวกเราให้พวกเราแยกให้ออกคือร่างกายสังขารของพวกเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าอันนี้แปลว่าร่างกายในร่างกายของเรานี่มีอยู่สองมีอยู่2 อ, อย่างคือนามธรรมรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมนี่คือร่างกายนามธรรมคือจิตใจ จิตใจคือมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นแต่พวกเรามีความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกอยู่ว่าร่างกายของเรานั้นคืออันหนึ่งเรามองเห็นกันแต่ส่วนจิตใจนั้นพวกเรามองไม่เห็นแต่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าใจของข้าพเจ้าไม่มีไม่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกแต่ทุกคนมีความรู้สึกเพราะนั้นไอความรู้สึกนั่นแหละคือว่านามธรรมในหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเน้นหนักหรือว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือนามธรรมที่มองไม่เห็นนะั่นะตัวนั้นะตัวนามธรรมนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญตัวนั้นเป็นตัวใหญ่เป็นตัวเรื่องราวของร่างกายเป็นผู้คุ้มครองร่างกายท่านจึงยกบาลีขึ้นว่ามโนปุพังขามาธรรมามโนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นใจคำนี้เนี่ยอยู่ในร่างกายของพวกเราพุทธศาสน า, าพุทธเจ้าก่อนหน้านี้พระพุทธองค์เป็นกรรษัตริย์สิท ธ, ธัตถะพระองค์เป็นกรรษัตริย์แต่เมื่อคลองราชถึง29ปีพระองค์เห็นความแก่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย พระองค์ก็เลยหาทางที่จะออกจากความแก่เจ็บตายและก็พร้อมกันคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็คงจะคิดเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายคงจะไม่แพ้กันเพราะท่านยุคนั้นสมัยนั้นท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าคนตายแล้วมันสูนหรือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่สวรรค์นิพพานมีจริงหรือไม่ตายแล้วสูนหรือเปล่า อันนี้ความสงสัยในยุคนั้นก็คงไม่แพ้กันเพราะนั้นพระองค์ก็คงจะสงสัยเหมือนกันพวกพุทธองค์จึงได้เสียสละออกจากเวียงวังไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าถึงหปีไปบาเพ็ญอยู่ในป่าสรุปแล้วก็คือไปทดสอบลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเป็นเวลาถึงหปีในที่ลองผิดลองถูกนั้นใน พุทธประวัตินั้นมีที่ท่านไดพูดเอาไว้ว่าท่านทดลองอย่างไรบ้างอย่างอดภระกยายหานถึง49่สิบเกาวันนี้แสดงว่าท่านทดลองทดลองแต่ก็ไม่ใช่ทางทดลองเป็นทางผิดแต่ทางที่ถูกนั้นพระพุทธองค์ในวันเดือนหกเพนตอนหัวค่ําตอนปฐมไม่ยามพระอาทิตย์ยังไม่อัดสะดง พระพุทธองค์นั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำนั้นตรัสรู้อย่างไร กรรมฐานอะไรท่านกำหนดอะไรอย่างเนี้ยพวกเราให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั่งขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมายอย่างพวกเรานั่งต่อหน้าพวกเราเนี่แหละจากนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นก็หลับตากำหนดลมหายใจเข้าร้วหายใจเข้าหายใจออกร้วหายใจออก หายใจออกสั้นออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกสั้นออกยาวมีสติกับปลมหายใจเข้าออกนั้นนั้นในขณะนั้นสติอยู่กับตัวเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติในครั้งนี้ให้ฟังไว้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละให้ยึดเป็นแนวแถวว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรในคืนที่ท่านได้ตัดสรุธธรรมในวันเดือนหกเพนวันนั้นเพราะนั้น เรายึดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติอันนี้คือพุทธประวัติที่พวกเราได้ศึกษาเมื่อพวกเราทุกท่านได้ศึกษาพวกเราก็คงจะยอมรับว่าพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติตนอย่างไรในวันเดือน6เพนวันนั้นนี่แหละกรรมาฐานพระ พ, พุทธเจ้าพอพระุทธองค์กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง คือไม่ส่งจิตไปข้างนอกเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะขึ้นมาปุเพเนวาสานุสติญาณและลึกชาต์ผลหลังได้อ น, นี้เกิดญาณทัศนะพระองค์น้อมจิตล้ำลึกชาต์ผลหลังได้เหมือนกับเมื่อวานมีไหมวันก่อนเป็นยังไงอาทิตย์ก่อนเป็นยังไงเดือนก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงหลายๆลายปีไปยังไงท่านนึกย้อนไปถึงชาติที่แล้ว จะมาเกิดที่นี่มาจากไหนมาเกิดที่เนี้ยชาติที่แล้วเพราะพุทธองค์ก็ย้อนนึกย้อนย้อนย้อนไปพระพุทธองค์มีญาณทนะัศนายานของพระองค์ชาญของพระองค์นั้นเป็นชาญยานที่ละเอียดเป็นวิสัยของพุทธาพระพุทธองค์ระลึกย้อนหลังเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านชาติก็ได้อันนี้คือพระพุทธองค์ได้ญาณทัศนะในวันเดือน6กเพนธ ก็เป็นอันว่าพุทธองค์ยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะว่าชาติที่แล้วมีชาตินี้มีชาติหน้าก็ต้องมีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะตายแล้วไม่สูญตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุปในวันเดือนหกเพลนในวันนั้นพระพุทธองค์ยืนยันในพระไตรปิฎก เป็นลำดับลำดับมาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแนวแถวของพุตทะก็ให้ศึกษาให้ละเอียดศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนตายแล้วไม่สูญวิญญาณคือนามธรรมตัวนั้นน่ะเมื่อออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นต่อไปเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นน่ะรถกับคนขับรถ ไม่ใช่อันเดียวกันรถก็คือรถคนขับรถคือคือคนขับรถแต่อาศัยกันอยู่ถ้าหากว่าไม่มีคนขับรถรถก็ไปไม่ได้ถ้าหากว่ามีแต่รถมันเสียคนก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปได้อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราทางว่ามันเสียแล้ววิญญาณจะดีขนาดไหนรู้เท่าขนาดไหน ก็บังคับร่างกายไปไม่ได้แต่ถ้าหาว่าจิตใจของเราหนีจากร่างไปแล้วกายร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้จะต้องแตกสลายแต่ว่าดวงวิญญาณคือใจนั้นไปที่อื่นเมื่อรถเสียแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วรถผุพังไปแล้วดวงวิญญาณนั้นก็นไปไปที่อื่นในเมื่อไปที่อื่นถ้าว่าดวงวิญญาณดวงนั้นคนขับรถคนนั้นมีเงิน นะมีเงินคือคือมีบุญคนที่มีบุญติดตัวไปก็จะไปซื้อรถคันอื่นให้ดีขึ้นกว่าดีกว่ารถคันที่เป็นอยู่นี่ได้ไปเลือกเกิดได้เราจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดได้ไปเกิดที่สถานที่ร่ารวยสถานที่มีความสุขยศฐานบรรดาศักดิ์สูงสง่งถ้าคนมีบุญไปเลือกเกิดได้แต่ถ้าว่าคนไม่มีบุญเมื่อโซเฟอร์คนนั้นใช้รถคันนี้ แต่ไม่ได้สนใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลทั้งทีมีแต่ขับรถแล้วก็พาเที่ยวเตะกินเหล้าเมายาสุลานารีภาชีกีลาบัดไม่ได้สนใจคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่อออกจากร่างนี้แล้วดวงวิญ ญ, ญาณ น, นั่นก็ไม่มีบุญในเมื่อไม่มีบุญก็จะไปเกิดในสถานที่ใดก็ไปไม่ได้เอเผลอๆยังขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทํากรรมช่วยอีกต่างหาก พอหลุดออกจากร่างกลําเก่าบาปอกุศลเข้ามาพาไปทีนี้ไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเป็เปดไปได้ทุกแห่งหนเพรานั้นพระพุทธองค์รู้ทั้งหมดพอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์มองดูอีกทำจิตพระองค์ให้ละเอียดลงไปอีกเรว่าจุตูปปาตายานการจุดติของสัตว์นี่แหละหลวงพ่อพูดเรว่าการจุติของสัตว์ การเวียนว่ายตายเกิด ส, สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มีที่สิ้นสุดในการเป็นอยู่ของวิญญาณบางทีก็ทางว่าเราทําสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็าพาไปสู่สุขคติแต่ถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วทั้งหลายก็พาไปทุกขคติไปตกต่ำเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไปอยู่เสมอว่า พวกเราตายแล้วไม่สูญออพูดอย่างนั้นได้ว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วออในยุคสมัยนั้นท่านได้เขียนเป็นตำรับตำราเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนาสั่งสอน ยังบอปุบเณในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าคนตายแล้วศูญย์จะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเพราะเกิดมาชาติเดียวแล้วก็จบเนี่ยหลักของพุทธศาสนาท่านยืนยันท่านตรัสไว้อย่างนั้นจุดูปปาตยานการจุติของสัตว์เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเออจากนั้นจวนสว่างพระพุทธเจ้าได้พิจารณาว่าใจดวงนี้มันมาจากไหน มันมาจากไหนมาเกิดแล้วมันจะไปที่ไหนอีกพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาดูใจดวงนี้มีอะไรอยู่ในเนี้ยดวงวิญญาณตัวนี้ท่านก็มองท่านก็เห็นว่ามีกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมีอยู่ใจตรงนี้มีเชื้อเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะทําให้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาท คืออวิชชาปัจญาสร้างข่าราสร้างข่าราปัจญาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณสูอุปายาตการร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายออกมาจากความไม่รู้ไม่รู้คือความหลงเพราะนั้นพระองค์จึงได้ใช้ตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาเข้ามาสกัดเข้ามากลั่นกลองเข้ามาหุงต้มใจดวงเนียด้วยตปธรรมคือศินสมาธิปัญญา การกองออกที่จะทำให้เกิดเชื้อที่จะทำให้เกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะทำให้เกิดให้รุดออกจา ก, ก จ, จิตใจจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรุธรรมกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจใจตรงนั้นหมดเชื้อที่จะทำให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีอีกแล้วเพราะใจตรงนั้นไม่มีกิเลสเพราะนั้นพระองค์จึงไดตัดสรุธรรมออ เพรานั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขอให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาการเดินจงกรมนะเราเดินจงกรมเราอยู่ในสถานที่สงบวันไหน ว, าว่างๆช่วงไหน ว, าว่างๆคนนะ อ, อย่างเดินหงายอย่างเนี้ยวิธีเดินจงกรมก็อย่าเอามือควยหลังหลวงพ่อเคยแนะนําสําหรับครูบาอาจารย์ที่ เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อือท่านแนะนำหลวงพ่อได้รับการแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านว่าการเดินยองกลมเป็นท่าลำพึงเอามือประสานไปข้างหน้าในระหว่างท้องก่อนที่เราจะเดินยองกลมเราดูทางเดินยองกลมเสียก่อนว่าเราจะเดินไปทางไหนทางเดินยงกลมนั้นก็ไม่ควรจะยาวนักและก็ไม่ควรจะสั้นเกินไป ถ้าว่าสั้นเกินไปทําให้เราเวียนศรีรษะเราเดินกลับไปเดินกลับมามันเวียนศรีรษะมันสั้นเกินไปอย่างน้อยก็ประมาณชัก 15- บหถึง2ี่สถึงยี่แต่ยาวสุดก็ประมาณชัก39ก็จะพอดีใช่ไถ้ายาวเกินไปก็ทําให้พวกมแมลงพวกสัตว์ทั้งหลายเดินผ่านเร า, เ, าเราเดินกลับมาช้าเกินไปก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นเดินเพลินผ่านได้ ه, เพราะนั้นเราเดินประมาณขนาดนี้พอดีเดินกลับไปกลับมาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินผ่านเดินทางเดินจงกรมเราได้เพราะั้นการกำหนดทางเดินจงกรมในประมาณน้นประมาณ15ก้าวถึง25ก้าวขนาดพอดีพอ ด, พอดีเมื่อเรากำหนดทางเดินจงกรมเสร็จแล้วเราก็ยืนหัวส่นสุดทางจงกมรมปนมมือขึ้นและเลือกถึงพระพุทธเจา้าไหว้ครูซะก่อนนะ ไหว้พุทธโธธรรมโมสังโฆละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนถึงสามจบจากนั้นก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถสรุปแล้วก็คือการภาวนาเนี่ยให้มีสติส ต, สติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อนั่งก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเดินเราก็กำหนดก้าวเดินกับขาขาก้าวเดินของพวกเราแต่บางท่านบางคนจะเข้าใจว่าเออพวกผมเคย ภาวนายกหนอ่อก้าวหนอได้ไหมได้ไม่ขัดข้องแต่นี้หลวงพ่อพูดในแนวของหลวงพ่อที่ว่าให้พวกเราทดลองดูสรุปแล้วก็คือการยกหนอ่อก้าวหนอ่อก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการกำหนดกายของเราเช่นเดียวกันการภาวนาพระองค์ให้ท่านบอกว่าอยู่ในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม กายเวทนาจิตธรรมการกําหนดกายการก้าวเดินเราเอาร่างกายก้าวเดินหรือจะเกินก้าเดินช้าก้าวเดินเร็วก็คือเอาร่างกายและการภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากอพุทธหายใจออกโธอย่างนี้ก็คือลมหายใจกายเหมือนกันยบหนอพองหนอก็กายเหมือนกัน เพราะนั้นการที่จะภาวนากาหนดลมหายใจเข้ายุบหนอพองหนอหรือกำหนดพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็เป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่พุทธกับกิริยาเรียก ว, ว่าการใช้แนวทางต่างกันเท่านั้นแต่ส่วนเนื้อหาสาระนั้นก็คือกายกา ย, ยานุปัสสนาจติปฐานเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราอย่าสับสนในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะ คือการเริ่มต้นเริ่มแรกแต่สุดแท้แต่ใครจะยึดกรรมฐานอะไรอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าให้กรรมฐาน40อย่างอย่างเนี้ยพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทำมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสติระลึกถึงศีลเนี่ยจะอันใดอันหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้แหละถูกที่สุดอันนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะถูกยิ่งกว่านี้พวกเราจะไปคิดอย่างนั้น พระพุทธเจ้า ว, วางกรรมฐานไว้ทั้ง40อย่างให้พวกเรากําหนดสรุปแล้วก็คือเราจะยึดกรรมฐานไหนก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในครั้งนี้หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราเน้นหนักเรื่องจิตภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะเราถือโอกาสอย่างนี้หาโอกาสได้ยากเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นตกกลางคืนมาต่างคนต่างอยู่ อย่าไปพูดคุยกันแต่ถึงยังไงเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเราจะบวชกี่วันเพราะนั้นในขณะที่เราบวชกี่วันเนี่ยเราให้มีคุณค่าที่สุดเพราะเราบวชถวายในหลวงเอเราบวชถวายพระรากุศลในหลวงเพราะนั้นการที่พวกเราจะบวชถวายพระรากุศลในหลวงนี่เราควรทําตัวอย่างไร ไม่ใช่ว่าเข้ามาบวชแล้วมาพูดมาคุยกันเรื่องขอบเรื่องครัวเรื่องบ้านเรื่องเลื่อนเรื่อ ง, อ ง, องสัพเพเหระอ่าอย่างนี้จะเป็นบุญกุศลได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าการมาบวชในพุทธศาสนานี่เหมือนกับเรามาขุดทองอไปหาเงินแต่ถ้าว่าพวกเราให้ความสนใจแล้วว่าเป็น ไปหาเงินหาทองเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็ส่งกลับบ้านได้แต่ถ้าว่าพวกเราไปแล้วไม่ได้สนใจหาเงินหาทองไปเที่ยวๆโตโตเตเตเล่นๆไปแล้วบุญกุศลจะส่งมาถึงผู้ที่หลังได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วทางว่าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาเราจะถวายบุญกุศลตอนในหลวงของเราได้ยังไงเพราะเหตุว่าเพราะว่า เราก็ไม่เอาตัวก็ยังไม่รอดอยู่แล้วบวชเข้ามาเราไปียแต่คิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกเราจะไปคิดปรุงฟุ้งไปทำไมเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็ถึงกำหนดที่เราจะลาสิกขาอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราขณะที่บวชพยายามตั้งตนไว้ให้ชอบอัตตะสมาปณิที่ตั้งตนให้ชอบแล้วก็สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว กล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่ยนะให้ภาวนาอยู่ที่ไหนให้ภาวนาว่างๆก่อนนั่งสงบไม่จําเป็นไม่ต้องคุยกันกล่าวกูบาเนนก็เหมือนกันที่มากๆทางองค์ไหนช่วงไหนว่างๆเออช่วงนี้เป็นช่วงที่ถวายพระราชกุศลในหลวงนะ เ, เราต้องเอาจริงเอาจังต่างองค์ก็ต่างอยู่นั่งภาวนาของใครของเรา พุโทโธพุโทโธก่อนที่จะบริกรรมพุโทโธหลวงพ่อจะขอแนะนําว่าควรจะแผ่เมตตาซะก่อนจะดีมากหลวงพ่อว่านะแผ่เมตตานะรมอะไรง่ายๆเวลานั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธธโมสังโฆพุทธโธธโมสังโฆพุทธโธธโมสังโฆสมจบจากนั้นเราเอามือลงกําหนดลมหายใจเข้า ตนจงเป็นสุขเวลาหายใจออกผู Recently, so so to ้อื market market. Wow. ่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณพวกวิญญาณทั่วตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการนี่แหละ แผ่เมตตาด้วยภาษาใจเพียงแค่นี้พอนะ เ, อเราจะว่าอาหารสุคิโตโหมินิตโคโหมิอเวโลโหมิอันนั้นเป็นภาษาบาลีเราอาจจะไม่เข้าใจในภาษาบาลีนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราใช้ภาษาใจานึกในใจว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุวิญญาณใดก็กตามดวงวิญญาณดวงใจท่านดวงใดก็ตาม เป็นเ ท, ว, ท, เทวดาอินทพรมอยู่ที่ไหนก็ตามข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นดวงวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานี่แหละอันนี้คือแผ่เมตตาซะก่อนจากนั้นเราก็นั่งสมาธิเต็มเวลาเราออกจากสมาธิทุกครั้งหรือว่าเราจะออกจากทางเดินจงกรมทุกครั้งเราก็แผ่อุทิศส่วนกุศลอย่างที่ว่าเออข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ ถึงข้าพเจ้าจะนั่งจิตสงบหรือไม่สงบด้วยความล้มลุกคลุกคลานด้วยความพยายามของข้าพเจ้าได้บ้างเสียบ้างบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้พยายามภาคเพียรในวันนี้ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทาในวันนี้ขอให้ทุกดวงวิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอน้อมถวายกุศลต่อในหลวง พรบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระ อ, องค์แล้วก็ขอให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อยู่กันด้วยสันติสุขทุกๆ ท, ท่านอันนี้คือการแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุอันนี้หลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราคนที่มีเมตตาอยู่ในจิตในใจไปณสถานที่ใดถินด่นใด มีแต่คนเคารพมีแต่คนไม่เบียดเบียนแต่คนที่จะมาเบียดเบียนเราเขาก็เบียดเบียนไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเรามีแต่ให้ความเมตตาต่อเขาถ้าว่าเราไม่มีความเมตตามีแต่ความจองร่างจองผ่านในจิตในใจมีแต่ความโมโหโธโสคุนเครืองเหมือนกับเราเขาตบมือมาเราก็ตบมือไป มันก็เกิดเสียงดังฮะแต่นี้เมื่อเราไม่มีแต่เราจะให้มิถะแผ่เมตตาถึงเขาจะผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรเราเราไม่ผูกอาฆาตตอบเวร น, นั้นก็จะไม่เกิดเมื่อกระตบมือข้างเดียวอย่างนั้น่เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนะ เ, เป็นพระเป็นเนนเป็นชตาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านหรือว่าท่านผู้ที่เขามาบวชเป็นเวลาชั่วครั้งชั่วคราวก็ขอให้ ต้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงจังแล้วก็เมื่อเป็นครวญไปแล้วก็ให้นำทำคำสั่งสอนหรือขณะที่เราเข้ามาบวชนี้ยึดเป็นแนวทางเป็นแนวแถวประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเราจะรับประกันไม่ได้ว่าชีวิตของข่านี้จะยืนนานสักเท่าไหร่อย่างญาติโยมที่หลวงพ่อผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเผายืนเตาศพ ยังมีกลิ่นขึ้นมาหลวงพ่อพูดยังมีกลิ่นขึ้นมาอยู่เนี่ยกลิ่นที่พูดที่ท่านล่วงลับดับขันไปท่านก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะล้มหายตายจากเพราะนั้นชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่มีใครรับประกันว่าข้าพเจ้าจะอยู่เท่านั้นปีทุนี้เดือนเพราะชีวิตของพวกเราเหมือนกับมะม่วง เล็กๆ ก, ก็หล่นได้โตขึ้นมาหน่อยก็หล่นได้ขนาดเป็นแกลนจะเข้าแกลนก็หล่นได้สุกแล้วก็หล่นได้แต่ไม่มีมะม่วงต้นไหนที่จะมีดอกผลข้ามปีคือผลนั้นไม่มีข้ามปีพราะถึงในช่วงระยะหนึ่งก็หล่นทั้งหมดอันนี้คือผลมะม่วงอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลาย ไม่มีใครที่จะอยู่โชคฟ้าดินสลาย เ, เดี๋ยวนี้อายุของพวกเราเท่าไหร่ถ้าพวกเรามาถึงขนาดนี้นะน้ำว่าโชคดีเป็นผู้มีบุญเพราะนั้นอย่าได้พลาดโอกาสให้สั่งสมบุญกุศลของพวกเราเอาไว้หลวงพ่อเคยพูดไปสถานที่ต่างๆหลวงพ่อเคยพูดว่าพวกเราเกิดขึ้นมาแล้ว เ, เขาเตรียมวีซารอไวแล้วนะแต่ละคน เ, เขาเตรียมบีซารอไวแล้ว วันดีคืนดีเขาก็ส่งวีซ่ามาให้เรานี่อย่างคุณโยมที่ท่านจากไปวันนี้ท่านได้รับวีซ่าจากนั้นท่านก็นเดินทางต่างประเทศขึ้นเชิงตะกรขึ้นกองฟอนขึ้นกองไฟจากนั้นไม่มีวันกลับมาอีกเพราะว่าขึ้นเชิงตะกรไปต่างประเทศแล้วพวกนั้นพวกเราท่านทางหลายทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันไม่ว่าลูกหลานท่านผู้ใดพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยาย ญาติโยมท่านผู้ใดก็รอวีซ่ากันด้วยกันทุกคนหลวงพ่อผู้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็รอวีซ่าเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อวีซ่ามาถึงเมื่อไรพวกเราก็จะต้องเดินทางต่างประเทศในเมื่อเดินทางต่างประเทศแล้วเมื่อไปต่างประเทศถ้าว่าใครเป็นผู้มีเงินนะเดินทางต่างประเทศมีเงินคนนั้นก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเอาเงินไปจับใจ่ายใช้สอยในต่างประเทศ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื er ่อตายไปแล้วก okay. <c oughs> ็ไ <realised> ม่มีเงินออกจากเชิงตะกอนส่งไปต่างประเทศเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะไม่มีเงินเดินโตโตเตเตเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้พร้อมพากัน สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นนี่แหละตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้พาพิสูจน์มาแล้วและวิธีการประพฤติปฏิบัติบุญกุศลที่เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ก็คื อ, อ, อพวกเรารักษาศีลสมาธินี่แหละถ้าเป็นพระนะพระพุทธองค์เสียศีลสมาธิปัญญานะ ศีลก็คือรักษากายวาจาจให้เรียบร้อยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายรักษานี่ยนะคือรักษาศีลเป็นเนรก็รักษาศีลสิบเป็นพระก็รักษาศีลสองิบเจ็เป็นศรัทธาญาติโยมก็รักษาศีลหศีลอุโบสถศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อรักษากายวาจาเรียบร้อยแล้วเรานั่งสมาธิจิตของเราก็ไม่ไไม่ได้คิดปุงฟุ้งซ่านไปทางอื่นจิตของเราก็เข้าสู่ความสงบ เป็นหนึ่งได้ได้ง่ายเพราะจิตของเราใจของเราไม่ได้ไม่ได้ทำความชั่วอย่าง อ, างอื่นกายวาจาของเราสงบอยู่แล้ว เ, ออเมื่อกําหนดถึงใจกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่พิตกกงังวลไม่ไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้งา่ายนะอันนี้แหละเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราก็นาจิตที่ สงบนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาวิปัสสนานั้นคืออะไรสมาธินั้นส่วนหนึ่งวิปัสสนานั้นอันหนึ่งคนละอันกันสมาธิคือทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ไม่ปุงฟุ้งซ่านออกไปที่อื่นส่วนปัญญาวิปัสสนานั้นให้พิจารณาร่างกายร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าอย่างที่โยม ที่ท่านมราณะภาพที่เอาไปเผาในกองไฟนั่นแหละเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราพวกเราทุกท่านถ้าว่าหมดลมหายใจเข้าออกแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละพระพุทธองค์ให้รละลึกถึงความตายส่วนหนึ่งคือมรณงเมภาวิสติให้รละลึกถึงความตายตัวเองไว้อยู่เสมอให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอว่าตัวเองจะต้องจากโลกนี้แน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งให้เตรียมตัวเอาไว้ เตรียมตัวต่ อ, ต, อ, ต, อต่อต่อต่อต่อเตรียมตัวตายเตรียมตัวให้ล่วงหน้าว่าข้าจะต้องจากโลกนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่คิดว่าจะอยู่ช่วฟ้าดินสลายเพราะฉะนั้นท่านว่าให้เตรียมพร้อมให้พิจารณาอยู่เสมอว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, น, อ, นอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องจากโลกนี้แน่นอนเมื่อจากโลกนี้แล้วร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในเนี้ยะ เราก็พิจารณาดูที่นีข้างในมีโครงกระดูกทุกคนใช่ไหมถามตัวเองพวกเราก็คงจะไม่ปฏิเสธว่าพวกเราทุกคนมีโครงกระดูกอยู่ในตัวของเรานี่แหละให้พิจารณาจากนี้ระบอกวิปัสนาแหละทีนี่นะหลวงพ่อจะพูดเรื่องวิปัสนาให้ฟังแล้วนะที่นี่นะวิปัสนาก็คือวิปัสสนึกนั่นเองนึกคิดปรุงแต่งแต่ว่าการปรุงแต่งด้วยการนึกคิดนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่หัวจดเท้ามีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฝันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายของพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นในร่างกายของพวกเราเนี่ยมีกระดูกเป็นโครงในเพื่อพวกเราพิจนารณาถึงร่างกายของเราแล้ว ร่างกายส่วนอื่นล่ะคนอื่นล่ะเป็นอย่างเราไหมก็เป็นอย่างเราเหมือนกันเพราะฉนั้นเมื่อพิจารณาถึงร่างกายของเราแล้วร่างกายของเรานีจะอยู่นานสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุเราเท่าไหร่อหลวงพ่อว่ากะไว้เลยทุกคนไม่ถึงร้อยปีถ้าร้อยปีก็แสดงว่าหมดสภาพแล้วร่างกายนั้นอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นร่างกายของพวกเราทุกส่วนทุกคนคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ร่างกายของพวกเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายของเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายของเราเป็นของเราได้อย่างไรยศถาบรรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัติสามีพัญญาลูกเต่าเล้าล้านเลือกสวนไรนา สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเใจให้พิจารณาอยู่นะนั่นคือใจนะที่นี่นะคือนามธรรมที่หลวงพ่อว่าเนี่ยให้พิจารณารูปธรรมให้ใจนามธรรมนั่นให้พิจารณ า, ารูปธรรมให้พิจารณาตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้หลงลืมตัวให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว เราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตใจก็หลุดพ้นเอ้ยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรในร่างกายของพวกเรามนุษย์ทั้งหลายสัรพัร์ทั้งหลายเพราะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ท่านแนะนาสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี้ สําหรับผู้เป็นนักพรตนักบวชเนี่ยท่านแนะนําสั่งสอนศีลสมาธิปัญญานะอันนี้แปลว่าเป็นทำคําสั่งสอนอันสุดยอดให้เห็นร่างกายสังขารเป็นอนิยจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราใจไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งใจดวงใจเนี่ยเกิดคิดคิดปรุงปุงเกิดเกิดัดดดดบ ด, บดบเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสําหรับศรัทธาญาติโยมท่านในสอนให้ ให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาให้มีทานก็คือให้มีการเสียสละการอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะต้องมีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกันคนที่ไม่มีน้ําใจคนไม่มีการเสียสละอยู่กับโลกเขาลําบากไปที่ไหนก็ไม่มีใครนับหน้าถือตาแล้วไม่มีใครให้ความยกย่องเพราะว่าไปที่ไหนมีแต่ขี้แตนีทีเหนียวไม่ยอมเสียสละแบ่งปันให้แก่ใคร ก็หาพี่หาน้องไม่ได้เพราะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เสียสละการเสียสละทางนี้ทั้งนั้นก็ให้รู้ประมาณเอไม่มีการเสียสล ะ, ะเลยก็ไม่ได้เสียสละจนเกินไปเกินตัวก็ไม่ได้เพราะนั้นทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้พอประมาณแตใ่ให้มีการเสียสละต่อเพื่อนมนุษยชาติทานศีระก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่ละศีระคือรักษากายวายาให้เรียบร้อย ส่วนภาวนาก็มีหลายขั้นตอนมีสมาธิและก็มีปัญญาตามขั้นตอนสมาธิคือคื อ, คอทำจิตให้สงบปัญญาก่็พิจารณารอบรู้ในกองสังขารร่างกายสังขารของเรานี่คืออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมนิในยกถาโดยมากจะเน้นในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าถือว่าพวกเราเข้ามา ประพฤปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เข้ามาเพื่อบำเพ็ญกุศล เ, เป็นนักพรตนักบวชคือรักษาศีลกับภาวนาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดเกี่ยวกับศีล เ, เรื่องศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เรื่องภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นหงพ่อได้กล่าวสมุดทยาถากับพอสมควรกับการเวลา โดยอำนาจขุนพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเอวังก็ไม่ด้วยประการละชะนี